พระอาจารย์กับนมรศการพระอาจารย์กฤินะฮะคือถ้าสมมุติว่าท่านเป็นคนที่คือพอดีฟังซีดีท่านบ่อยอืทีนี้อเออเนี่ยรู้สึกว่าท่านตอบคําถามแบบที่ท่านบอกมีพลังอ ะ, ค, ะคือเหมือนกับท่านตอบตอบอย่างนี้ตลอดอะเหมือนกับวางเฉยไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าสําเร็จนิพพานยากสิฮะเพราะเห็นคําถาม <c oughs> ที่ <c oughs> ไม่ใช่ที่วางเฉยไม่ได้คือไม่ยอมไม่ยอมเวลามีใครมาจาบจ้วงพระธรรมวไม่ใน เหมือนที่พระมหากัสตปะไม่ยอมเวลาพระสุภัต t ผู้เท่ามาจาับจ้วงพระธรรมวินัยนั่นแค่เจ็ดวันหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมีเรื่องที่ว่าเ อ, อสุภัทะผู้เท่าพระผู้เท่าเนี่ยนะเห็นพระองค์อื่นพอทราบข่าวพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็สมเพศคนอื่นสมเพศองค์อื่นจะไปร้องไห้ทําไมน่าจะดีใจ พระเจ้าไม่อยู่แล้วก็จะดีแล้วนะเพราะว่าถ้าท่านอยู่ต่อไปนะเดี๋ยวท่านก็บัญญตัติวินัยศิขาบทเพิ่มมาเรื่อยๆเนี่ยแบกวินัยไว้แย่แล้วท่านไปนิพพานไปแล้วก็ดีแล้วจะเสียใจทําไมเนี่ยพูดอย่างเงี้ยพระหากรส ป, ปะไม่ยอมตรงนี้จะบอกว่าท่านจะไม่นิพพานเหรอไม่ใช่ใช่ไหมตรงนี้คือไม่ได้ไม่ได้มากระทบตัวท่านเองแต่มาจาับจ้วงพระธรรมวินัย แต่ท่านมีงานด่วนเร่งกว่าคือไปจัดการงาน เ, าเกี่ยวกับพระรีละของพระพุทธเจ้าก่อนพอจัดการพระรีละเรียบร้อยแล้วแบ่งพระธาตุเรียบร้อยแล้วท่านกงยกเอาเหตุการณ์นี้ขึ้นมาท่านไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเลยนะไม่ยอมมีเหตุการณ์จับจวงพระธรรมมวินัยเกิดขึ้นแล้วท่านไม่ยอมมาบอกกล่าวพระอาหนร์ด้วยกันบอกว่ า, าต้องมาทาสังขยณาพระธรรมมวินัย สังขยาาคือรวบรวมแล้วมามาสวดพร้อมกันสังขยาาแปลว่าสวดพร้อมกันทำไมสวดพร้อมกันคือแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยนะจำพุทธพจน์มาต่างกันจําองค์นั้นจําส่วนนี้องค์นี้จําส่วนนั้นอย่างเงี้นะ <c oughs> ก็เอาแต่ละองค์ที่ฟังฟังมาเนี่ยมาประชุมกันแล้วมา สอบถามสอบสวนสอบถามสอบทวนกันองค์ที่จําได้มากที่สุดก็คือพระอานุ์ก็มาตั้งธรรมมาตรให้พระอนุนที่หนึ่งตั้งธรรมมาตให้พระมหากระสบะที่หนึ่งพระมหากระสบะเป็นผู้ถามพระอานุ์เป็นผู้ตอบถามอ่าสูตรนี้ชื่อนี้พระพุทธเจ้าแสดงให้กับใครที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงพระอานุ์ก็ตอบเอว่าเมสูตรตังเอกังสมัยยังพระขวา พระสูตรในส่วนใหญ่จะขึ้นเอว่าเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนท์ข้าพระเจ้าคือพระอานนท์นนะข้าพระเจ้าได้ยินมาแล้วอย่างนี้ได้ยินว่าพระพเจ้าแสดงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อตอนอยู่ที่นี้ที่นี้ความว่าอย่างนี้ถ้าพระสูตรยาวก็ยาวพระสูตรสั้นก็สั้นอ่าพอพระอานนท์บอกมาแล้วเรียบร้อยอ้าวพระลานทั้งหลาย498ที่เหลือเนี่ยเพราะว่า ที่ประชุมกันในห้าร้อยรูปห้ารูปเนี่ยรวมทั้งพระมหากระสปะและพระอนนท์ด้วยทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยใครได้ยินผิดจากนี้บ้างใครได้ยินผิดจากที่พระอนนท์แสดงไว้เมื่อกี้บ้างไม่มีใครคัดค้านอ่าดังนั้นสวดพร้อมกันที่พระอนนท์สวดเมื่อกี้เนี่ยที่พระอนนท์ว่าไว้เมื่อกี้เนี่ยสวดพร้อมกันก็กลายเป็นว่าทั้งห้ารอรูปเอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาว่าไปเรื่อยจนจบพระสูตรเรียกว่า สังขยาณาสวดพร้อมกันยอมรับว่าที่พระอานวนุ์ว่าเมื่อกี้นี้ถูกตรงตามที่พระเจ้าแสดงสังขยาณาไม่ใช่ไปแก้นะไม่ใช่ไปรื้อของเก่าแล้วมาแก้ไม่ใช่เงี้ยนะคือทําให้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าแสดงให้มากที่สุดองค์ที่จําได้ดีที่สุดก็คือพระอานนุ์เรียกว่ามาจากที่พระมาหาคสปะไม่ยอมไม่ยอมถ้าปล่อยไปเหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นแล้วเออไม่เป็นไรช่างเขาช่างเขาอะไรเงี้นะก็จะมีองค์อื่นเอาอีกทําไปเรื่อยๆแต่นี่พระมหากรุปะไม่ยอมจึงมีการสังคายนาพระธรรมวินัยพวกเราก็ได้รับมรดกมาถ้าไม่มีการทําสังคายนาครั้งนั้นพระธรรมวินัยก็จะสเปะสปะองค์นั้นก็จําไปอย่างองค์นี้ก็จําไปอย่างแล้วก็เชื่อแต่อาจารย์ตอนนี้เรามีหลักแล้วว่าพระธรรมวินัยคือที่พระเจ้าสอนเอาไว้ คืออะไรมีเป็นหลักอยู่ในพระไตรปิฎกเมื่อก่อนนี่ก็สวดกันก็เรียกมุกปาฐสวดกันปากต่อปากปากต่อปากไม่ถึงว่าองค์นี้พูดแล้วองค์นี้ก็จําแล้วก็พูดต่อไม่ใช่ไปจูบกันปากต่อปากคือองค์นี้สวดฟังแล้วก็จําไม่บันทึกไม่บันทึกลงหนังสือ ไม่ใช่ว่าสมัยนั้นเขียน ไ, ไม่ได้นะสมัยนั้นมีการเขียนหนังสือมีการเขียนราชสา ร, ร, รส่งไปยังเมืองต่างๆมีหลักฐานว่าแสดงว่ามันมีมีการเขียนมีการเขียนแล้วพระมหากัะส ป, ปะก่อนจะออกบวชก็เขียนหนังสือเขียนหนังสือไปบอกกับพระนางพัฒกาปิลานีบอกว่าเราจะบวชไม่ต้องมาแต่งงานกับเราให้ไปหาผู้ชายคนอื่นพระนางพัฒกาปีลานีก็เขียนจดหมายมาแสดงว่ามีการเขียนจดหมายอยู่แล้วเขียจดหมายบอกว่าให้ไป หาหญิงอื่นเถิดข้าพเจ้าไม่อยากจะแต่งงานอยากจะบวชและการศึกษาก็ดีมากด้วยคนใช้ยังรู้หนังสือคนใช้อ่านหนังสืออ้าวนายเราจะบวชถ้านายเราบวชนี่ก็แสดงว่าเราจะถูกปล่อยลอยแพไม่ได้ต้องจับสองคนนี้แต่งงานกันแปลงสารแสดงว่าลายมือก็สวยด้วยไงไม่งั้นไม่เนียนเนอะ ไม่เนียนต้องลายมือสวยด้วยแสดงการศึกษาสมัยนั้นดีมีการเขียนแต่ท่านไม่เลือกรักษาคําสอนด้วยวิธีการเขียนเพราะเขียนเนี่ยเวลาลอกผิดมีโอกาสผิดมากแต่ถ้าสวดพร้อมกันเนี่ยโอกาสผิดแทบไม่มีเลยทําไมเวลาสวดพร้อมกันสมมตนะิในห้องเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยสวดกันใช่ไหมก่อนจะอาตมาจะมานั่งบรรยายเนะี่ยมีการสวดถ้าใครสวดผิดนะ จะรู้เลยใช่ไหมคนหนึ่งในที่นี้ถ้าจำมาผิดและสวดผิดปาณาติปาตาเวรมณีถ้าเกิดไปสวดอย่างอื่นขึ้นมาเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเองสวดผิดเพราะในนี้เขาสวดกันถูกกันหมดเลยจะรู้เลยว่าผิดผิดก็ต้องแก้ไขเลยนี่เรียกว่าประโยชน์ของการสวดพร้อมกันสังขารนาสวดพร้อมกัน <laughs> ทั้งพระเรียกวสวดเตะกัน <laughs> ไม่ใช่ลุกขึ้นมาเตะนะเสียงมันเสียงมันขีกั น, นเคยไหมเคยสวดเตะกันไหม <laughs> พระใหม่ๆในสวดเตะเขาคือจังหวะก็ไม่ได้สวดสวดก็จําไม่ได้แล้วก็จังหวะก็ไม่ได้ก็จะสวดเตะพระเทเรซอยู่เลย <laughs> <laughs> อ้าวมีอะไรอีกอีกข้อหนึ่งนะฮะท่าน <laughs> คือปกติแล้วคนเราจะชอบพูดว่าจิตใจทีนี้เคยอ่านแล้วแบบไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการพัฒนาจิตกับการพัฒนาใจาต่างกันตรงไหนฮะ มันแล้วแต่คนพูดหรือสิคณิถ้าโดยทั่วๆไปนะจิตกับใจในแทนกันได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไวโพสรู้จักไวโพสใช่ไหมงานบวชเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหม <laughs> <laughs> มันเป็นเพสุพรรณแล้วไม่ใช่แล้วไ <laughs> วโพสแปล ว, ว่าคําที่ใช้แทนกันได้มีความหมายแบบเดียวกันใช้แทนกันได้ <laughs> เรื่องจิตกับใจนะ <laughs> ก็คือเรื่องของนามธรรมา ถ้าแบ่งชีวิตเป็นสองส่วนรูปธรรมกับนามธรรมส่วนนามธรรมเนี่ยจะเรียกว่าจิตก็ได้จะเรียกว่าใจก็ได้แต่ถ้าให้ละเอียดยิ่งขึ้นตอนนี้ก็ต้องดูบริบทของของคำแล้บริบทของคำคือคําที่แวดล้อมในขณะนั้นท่านอธิบายเรื่องอะไรอยู่ถ้าอธิบายในแง่ของจิตคือสภาพรู้อารมณ์เจตสิก ค, คือคุณภาพของจิตอย่างนี้ก็ต้องแยกกันงงไหมก็เล ไปกายกลพลิกเรื่องแล้วจิตคือสภาพรู้อารมณ์ก็คือจิตที่ไปรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวทางกายรู้ความคิดนึกทางใจจิตโดยละเอียดแล้วมีหน้าที่อย่างนี้ส่วนที่คิดนึกเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลจิต ด, ดีจิตไม่ดีคุณภาพของจิตเหล่านี้เป็นส่วนของ อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเจตสิกนี่เริ่มละเอียดขึ้นถ้าตรงนี้เนี่ยท่านก็จะมาสอนก็ต้องเลือกคนเลือกคนที่ว่าอ่าเริ่มมีความเข้าใจเริ่มเรียนคําสอนหรือเริ่มศึกษาเรื่องจิตมากขึ้นแล้วท่านก็แยกย่อยว่าในส่วนของนามธรรมหรือจิตเนี่ยนะมันแยกออกไปได้อีกนะมันแยกไปได้อีกความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเเนี่ยเรียกว่าเวทนาความจําได้หมายรู้ เรียกว่าสัญญาความปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลเรียกว่าสังขารอย่างนี้สตัวนี้เรียกว่าเจตสิกส่วนจิตคือตัวรู้อารมณ์เฉยๆแต่จิตเนี่ยรู้อารมณ์แล้วจะมีคุณภาพดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเจตสิกเหล่านี้จิตเป็นบุญจิตเป็นบาปมันอยู่ที่เจตสิกจิตดีจิตไม่ดีจิตสุขจิตทุกข์อยู่ที่เจตสิตตตสตกอย่อย น, นี้ส่วนจิตคือสภาพรู้อารมณ์ แต่ว่าไอ้ ส, สีอันเนี้ยหรือสองอันนี้สองอันนี้คือทั้งสามนี้เรียกว่าเจตสิกถ้าเรียกเป็นขันก็เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันทั้งสอันเนี้ยรู้อารมณ์เดียวกันเกิดดับพร้อมกันเกิดดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเกิดดับพร้อมกันเป็นนามธรรมเป็นชีวิตส่วนนามธรรม รูปธรรมเนยโยบายต่างหากคือรูปคือกายส่วนนามธรรมเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือจิตกับเจตสิกเจตสิกก็แบ่งย่อยๆไปอีกเป็นเวทนาสัญญาสังขารแต่ทั้งหมดนี้เป็นนามธรรมรู้อารมณ์เดียวกันเกิดดับพร้อมกันเวลาเวลาดูต้องดูนิ้วด้ยวยนะเกิดดับพร้อมกันไม่เกี่ยวกับรูปนะ รูมในเกิดดับช้ากว่าแต่จิตในส่วนานามเนี่ยเกิดดับพร้อมกันดีนะมันมีแค่ห้าขันนะ <c oughs> มีขันมากกว่านี้ก็เล่นยากแล้วใครมีสงสัยอะไรอีกไหมนามกราบนาะัสการพระอาจารย์เช้าค่ะตอนนี้หนูภาวนามาติดอยู่ในสภาวะที่มองลงมาแล้วมันไม่มีกายแล้วมันรู้สึกหวงๆวงเหว่งเหวงมันหนูจะไปต่ อ, อยังไงเนี่ย แล้วใจเป็นยังไงใจเฉยๆค่ะ <c oughs> เป็นอุเบกขาไม่ไม่ไม่มันมันติดนะคะมันจะต่ อ, อย <c oughs> ยังไม่มีโอกาสไปทำหลวงพ่อค่ะ <c oughs> คือกายไม่ใช่เราก็เห็นเป็นช่วงๆเป็นท่อนเป็นอะไรบางทีก็หายไปแต่ช่วงนี้ทำรูปแบบก็จะพุทโธดูลมใช่ไหมคะ <c oughs> แป๊บหนึ่งพุทโธก็จะหายไปลมหายใจหายไปกายหายไปและ ไปต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ทําไปเรืวเวลาลในชีวิตประจําวันเป็นยังไงก็ดูกายดูกายเป็นหลักค่ะก็นั่งอยู่ก็รู้พูดอยู่ก็รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ที่หนูติดอยู่มันมันเป็นสภาวะภาษาหลวงพ่อคือโว่งโวงเวงเวงนะคะหนูก็ไม่รู้จะไปถามใครเ <c oughs> มื่อเมื่อคืนก็เป็นแต่ว่าก็ทําไปเรื่อยๆจนจนดึกนะคะแล้วก็ทําจนจนแบบไม่ไหวแล้วจะนอนนอนแล้วค่อยๆนอน ก็ดูมันไปอย่างที่มันเป็นให้ดูดูตอนตื่นค่ะจะสังเกตได้นั่นว่าจิตของเราขณะนั้นในทั้งวันที่เราดูไม่ออกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยให้สังเกตตอนตื่นตอนตื่นมาใหม่ๆเนี่ยจิตมันจะพอเวลามันนึกถึงการปฏิบัตินะมันจะไปเข้าร่องนั้นคตอนตื่นมาเนี่ยนะตอนหลับไปแล้วเนี่ยจิตได้พักผ่อนจิตพักผ่อนนะ พักผ่อนมาเนะี่ยพอตื่นขึ้นมาเนะี่ยยังไม่ปฏิบัติเป็นจิตแบบปกติพอตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มคิดจะปฏิบัติเริ่มคิดจะปฏิบัตินะจิตจะเคลื่อนไปเข้าร่องเดิมที่เคยทําเมื่อวานนี้<ะ>หรือเคยทามาหลายหละวันมาแล้วเนะี่ยเริ่มติดแล้วน ะ, ะให้สังเกตตอนที่ตั้งใจจะทําแล้วเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปแบบไหนมันไปคว้าอารมณ์แบบไหน มันจะแสดงชัดตอนที่ตื่นนอนแล้วคิดจะทำทำไมต้องไปไปดูตอนตื่นนอนเพราะว่าตอนหลับเนี่ยมันไม่ได้ทำตอนหลับไม่ได้ทาตื่นมาทีแรกไม่ได้ทำพอคิดจะทำตอนนั้นมันจะเปลี่ยนระหว่างไม่ได้ทำไปสู่การทำความเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยจะเกิดได้ตอนที่ต่อเมื่อมันผ่านการไม่ได้ทำมาแล้วแต่พอตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตประจาวันเราตั้งใจทามาทั้งวันเนยนะจำไม่เห็น จะไม่เห็นว่าเราไปบิดเบือนอะไรตอนไหนเมื่ อ, อไหร่เราไปตกร่องไหนยังไงวิธีสังเกตด้วยตัวเองนะวิธีสังเกตด้วยตัวเองคือไปหลับ <c oughs> นอนหลับหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วพอคิดจะทําใจมันเคลื่อนไปแบบไหนไปคว้าอะไรไม่เข้าใจคือหนูตื่นมาปุ๊บหนูก็จะอ่ะรู้สึกตัว นอนอยู่ลุกขึ้นมาแล้วก็ส่วนนสังเกตใหม่สังเกตใหม่ ต, หมตอนตื่นมาเนี่ยจิตจะปกติ ค, คือจิตของคนทั่วๆไปที่ไม่ได้คิดจะทำไม่ได้คิดจะปฏิบัติพอเริ่มรู้สึกตัวแล้วคิดจะปฏิบัติจิตจะเปลี่ยนสังเกตตัวนั้นน ะ, ะสังเกตตัวนั้นถ้าสังเกตไม่ออกต้องไปหาคนที่เขาตรวจกันบ้านได้ สังเกตเราไปยังไงต่อคะท่านพระอาจารย์ตรงนั้นจะเห็นเลยว่ามันเคลื่อนไปหาที่ชอบอะที่ที่มันคุ้นที่มันคุ้นชินที่ทำมาจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองติดเนี่ยแล้วมองไม่ออกเนี่ย oh. ตอนนั้นจะเป็นช่วงหนึ่งที่จะมีช่วงสั้นๆตอนที่ตื่นขึ้นมาช่วงสั้นๆ น, นะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะปฏิบัติหรือเปล่าหรือมันตื่นขึ้นมาแล้วก็รับรู้โลกแบบปกติตอนรับรู้โลกแบบปกติ ยังไม่มีเจตนาจะทำอะไรค่ะพอมีเจตนาจะทำคือฉันจะปฏิบัติหรือฉันจะจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยนะจะเคลื่อนไปตามความเคยชินค่ะแล้วเราแล้วแวยังไงต่อคะพอรู้ทันว่ามันมีการทำหนึง่งงั้นมันจะเข้าใจออสภาวะตัว น, นั้นจะหลอกเราอีกไม่ได้<อ>จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้คือการแก้หวงหวงเวงเว ง, เวงเวงเราใ ช, ใช่ใช่ใชใช่ อ๋อแล้วส่วนอาการวมงงเว่งเนี่ยเป็นอาการเรียกว่าวิบากเป็นวิบากมันมันจะมีหายไหมคะหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วคือเข้าใจว่ามันเป็นถ้าไม่หายก็เที่ยงเข้าใจไหมค่ะเอถ้าไม่หายแสดงว่ามันเที่ยงอเมื่อก่อนเป็นมไหมไม่เป็นค่ะยกที่ไม่เห็นตอนที่กายไม่ใช่เรา สักพักหนึ่งแล้วพอสักพักหนึ่งตอนนี้กายมันหายไปตอนทํารูปแบบแต่ชีวิตประจำวันปกติก็รู้ค่ะมือสายสนทนาถ้า <ทำ S 2> กายหา ย, หายไปนะแล้วดูใจให้ดูใจถ้าใจวม่งเวงแวงแสดงว่ามันทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเน่าขาหามไม่แก้ไม่ออกถ้าจะดูเองฝึกให้ดูเองจะได้เข้มแข็งค่ะดีค่ะก็คือไปดูตอนตื่นนอนใหม่ๆค่ะ แต่ควรเป็นการนอนตามปกติเดี๋ยวฉันจะดูอีกทีดูอีกทีนงแต่กล<ะ>างกลางคืนตื่นมาก็อย่างเข้าห้องน้าก็จะภาวนาต่อจนง่วงจนแบบไม่ไหวก็นอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สังเกตเป็นการบ้านสังเกตให้ช่วงช่วงที่จะทำให้เห็นชัดก็คือตอนช่วงตื่นนอน อ, อาจจะต้องช่วงกลางวันนี่ก็ช่างมันไม่เป็นไร <c oughs> แล้วพอเราจะหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาจะตื่นขึ้นมากลางดึกหรือตื่นตอนเช้าเนี่ย <c oughs> พอตื่นขึ้นมาแล้วความเคยชินของเราเนี่ยก็คื อ, คอจะต้องปฏิบัติใช่ค่ะตอนนั้นแหละจะเป็นช่วงที่เราจะเห็นความแตกต่างตัวที่จะเกิดปัญญาคือเห็นความแตกต่างถ้ามันเท่าเดิมเหมือนกันตลอดหวงเวงก็หวงเวงมาตลอดเลยนะจะไม่เกิดปัญญาไม่เห็นความแตกต่างแต่ถ้า ตอนที่ตื่นขึ้นมายังไม่คิดปฏิบัติแล้วเริ่มคิดปฏิบัติเนี่ยจิตจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งดูตรงนี้นะค่ะดูตรงนีออ้งั้นเดี๋ยวหนูลองกลับไปทาดูขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้จะได้มีประโยชน์กับทุกทุกคนด้วยถ้ารู้สึกว่าตื้อหรือว่ามันซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ก้าวหน้านะแสดงว่ามันติดจิตมันติดอะไรอยู่เนี่ยนะจนะสังเกตได้ด้วยตัวเองก็คือว่าตอนที่นอนหลับเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติ พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ปฏิบัติแต่ถ้าไม่ถ้าสังเกตตรงนี้นะพอเริ่มคิดจะปฏิบัติขึ้นมานะมันก็เข้าล่องเดิมถ้าวงเองก็วงเองเหมือนเดิมถ้าตื้อก็ตื้อเหมือนเดิมแต่ตอนตื่นมาจริงๆมันไม่ไมไมเป็นอย่างนั้นสังเกตดูไปลองสังเกตดูนะใครตกสภาพนี้<ม>เช่นอะไรเซ็งกับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเราจริงๆ แสดงว่าเปนการผิดพลาดทำผิดอะไรอยู่แล้วถ้าห่างครูบาอาจารย์หรือว่าไม่ห่างแต่ว่าไม่กล้าถามไปตรวจกับตัวเองได้ตรวจกับตัวเองด้วยการสังเกตตอนตื่นใหม่ๆตอนตื่นใหม่ๆจะเป็นจิตธรรมชาติจิตธรรมชาติที่ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติพอตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยต้องปฏิบัติแล้วจิตที่คิดจะปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยนะจะมีการเปลี่ยนมีการพลิกเข้าร่องเดิม จากจิต ท, ที่แบบปกติอาจจะง่วงซึมก็ได้นะพอคิดจะทำขึ้นมาเข้าไปเลยปึง้งมาลองสังเกตดูสนุกดีคืนแรกอาจจะไม่เห็นดูอีกคืนต่อไปมันไม่ใช่ว่าเห็นได้ทันที <laughs> เร็วๆอันนี้เรียกว่าอะไรสังเกตด้วยตัวเองพอสังเกตตัวเองถ้าเห็นแล้วนะคราวนี้ง่ายคราวนี้ง่าย เพลเพจะไปบอกคนอื่นต่อได้โดยหลักก็คือมันมีการจงใจทำํำมีการจงใจทําแต่ว่าไอ้จงใจตรงนั้นเนี่ยถ้าเห็นเองถ้าเห็นเองนะมันจะชัดเห็นเองจะชัดว่ามันมีการแกล้งตรงนี้มันมีการเคลื่อนอยู่ตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็หาย ตรงแกล้งเนี่ยมันมันจะทําให้จิตไม่เห็นของจริงพอไม่เห็นของจริงมันก็เลยไม่เกิดสติตัวจริงมันเหมือนจะรู้แต่ว่ามันรู้ไม่จริงก็เลยกลายเป็นทื่อๆทื่อๆเหมือนที่คราวที่แล้วบอกไปแกล้งแทรกแซงเด็กนี่นะตัวเองจะอยู่อายุไม่ยืน นี่แทรกแซงนะไปแทรกแซงเด็กแทรกแซงเด็กเนี่ยอายุจะไม่ยืนแทรกแซงคนอื่นอายุไม่ยืนแทรกแซงตัวเองเนี่ยจะยั่งยืนในสังสารวัตรต่อไปเพราะจะไม่เห็นของจริงแทรกแซงตัวเองจะไม่เห็นของจริงเมื่อไม่เห็นของจริงปัญญาไม่เกิดปัญญาไม่เกิดก็เกิดดับต่อไปจนกว่าจะมีปัญญารู้ของจริง ที่เราเกิดดับอยู่เนี่ยนะที่เราไม่ไปนิพพานสติเพราะยังไม่รู้ของจริงเมื่อยังไม่รู้ของจริงก็ยังไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อที่จะรักไม่เบื่อที่จะโกรธโกรธก็ไม่เบื่อนะใช่ไหมรู้สึกมันอะได้ด่าคนเนี้มันมากเลยนี่คือโกรธแล้วไม่เบื่อรักก็รักไม่เบื่ออาจจะเบื่อคนนี้แต่ไปรักคนอื่นต่อนั่นคือโกรธแล้วไม่เบื่อรักแล้วไม่เบื่อ หลงก็ไม่เบื่อหลงเพลินนั่งเหม่อลอยเพลินไม่เบื่อเบื่อก็เบื่ อ, อยังนี้แล้วอยากย่ังอื่นต่อไม่เบื่อสภาวะจริงแต่ถ้าดูสภาวะแล้วเบื่ออันนี้จะเป็นเบื่อแบบไม่มีโทรศัพท์จะเห็นทุก์เกิดดับทุกเกิดแล้วก็ดับสุขเกิดแล้วก็ดับสภาวะนี้เกิดขึ้นมาก็ดับไปโกรธเกิดขึ้นมารู้ทันก็ดับไปเห็นซ้าๆจนเบื่อ แต่เบื่อแล้วไปไหนไม่ได้เบื่อแล้วไปไหนไม่ได้ตรงนี้ต้องทนพอทนแล้วพอทนแล้วต้องสร้างสร้างปัจจัยอีกตัวหนึ่งในระหว่างที่ทนเนี่ยนะสร้างปัจจัยตัวสำคัญเลยคือตัวสัมมาสมาธิตัวกาลังจิตที่มีกาลังตัวนี้ถ้าไม่มานะ มันจะไม่ทะลุถึงปัญญามันก็จะเบื่อเบื่อเบื่อ <laughs> ต้อ ง, ร, งรวบรวมกําลังกําลังที่จะมาได้เนี่ยเกิดจากสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นกําลังตัวเนี้นะมันจะขึ้นขึ้ น, นลงลง <laughs> จะขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็ขึ้นมาแล้วเ่เกือบจะเข้าใจแล้วแล้วต่ก็ถอยไปอีกถ้าตัวนี้ท้อซะแล้วนะก็ล้มละลาย ไม่ท้อก็ทําไปอีกกำลังก็ได้ขึ้นมาอีกบางทีก็ไม่เท่าเดิมนะก็ได้แค่นี้บางทีก็ขึ้นมาอีกบานทีก็นิวไฮมีนิวไฮทาอย่างนี้แหละเพอเผลอไอ้ที่มันขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี้ยก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าดูสิทำเหมือนเดิมเลยผลไม่เหมือนเดิมบังคับไม่ได้บังคับผลมันไม่ได้เห็นแล้วเลยว่า จิตเนี่ยบังคับไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้รู้มันอย่างเดียวรู้มันได้อย่างเดียวจะเผลอไปก็ไม่ได้จะบังคับมันก็ไม่ได้จะเผลอไปก็ไม่ได้คือมันไม่ยอมเผลอแล้วอะเราฝึกมากันนะบางทีถึงขั้นทีว่ว่าเผลอไม่ได้แล้วจ ะ, จะตั้งใจก็ไม่ได้ดูสิถึงขั้นยากแล้วใช่ไหม <laughs> ทีแรกเนี่ยบอกวอ่ดูง่ายนะเริ่มเริ่มเห็นง่ายเห็นพัฒนาการ มากขึ้นเรื่อยๆพอถึงขั้นหนึ่งจะเผลอก็ไม่ได้จะเพ่งก็ไม่ได้จะจะเอาไงวะเหล่าเนาะจะเพ่งก็ผิดนะอจะเผลอก็ไม่ได้เอาไงอ่ะก็รู้รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวตรงเนี้ถึงถึงขั้นทนถึงขั้นทนนะทนตรงเนี้ยระยะเวลาแห่งการทนตรงเนี้ยนะขึ้นอยู่กับจิตมีกำลังมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีกําลังก็ ทนแล้วก็เลิกทำคือป่อแปรต่อไปแต่ถ้ามีกำลังขึ้นมานะไอ้ต น, นทนตรงนั้นนะ่ะจะมีประโยชน์จะมีประโยชน์ข้อมูลต่างๆที่จิตรู้เนี่ยนะไม่หายไปไหนจิตดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์ระดับไปมันถ่ายทอดข้อมูลให้จิตดวงต่อไปถ่ายทอดหมดเลยถ่ายทอดหมดเลยจิตดวงนี้ก็มีข้อมูลเท่ากับจิตดวงเมื่อกี้นี้แล้วถ้าหลงโลกมันมีข้อมูลใหม่ ในแง่หลงเพิ่มอนุสัยถ้าไปดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตดูเมื่อกี้มีข้อมูลใหม่ในแง่สัญญาที่เอื้อต่อการเกิดสติที่เป็นแบบธรรมชาติสติแบบธรรมชาติคือแม่ไม่ตั้งใจก็รู้แม่ไม่ตั้งใจก็รู้ไอตัวที่ว่าแม่ไม่ตั้งใจเนี่ยคือตัวที่จะพ้นจาก พบนี่ไปถ้ายังตั้งใจอยู่ยังเป็นการสร้างกรรมเจตนาเป็นตัวกรรมจะยังตั้งใจอยู่เนี่ยยังมีเจตนาแต่ก็อาศัยเจตนานี้ก่อนเจตนารู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นรู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นรู้ที่เป็นสภาวะแท้ๆคือรู้ที่รู้ว่าเมื่อกี้เป็นราคะโทสะโมหะไม่ใชรู้ว่าหน้าใครไม่ใช่รู้ว่าคนนั้นทําไม่ดีคนนี้ทําดีอะไรองนี้ แต่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับใจอันนั้นเรียกว่าเก็บสะสมความรู้ในแง่มีสติสติตัวนี้มันจะจำสภาวะต่างๆอะไรเกิดขึ้นบ่อยก็จะจำตัวนั้นบ่อยมีข้อมูล น, น, นั้นก็จำปริมาณการจำมันนั้นเนี่ยถ้าจาแด้มากๆเช่นโทสะเกิดขึ้นบ่อยก็ช่างเห็นมันจิตจะจำโทสะบ่อยพอโทสะเกิดครั้งต่อไป ครั้งที่มันจะตัดสินอะไรขึ้นมาสักครั้งหนึนะเกิดขึ้นมามีโทสะเกิดขึ้นมาแม้ไม่ตั้งใจเลยมันจะรู้โดยที่ไม่ตั้งใจเลยเพราะว่าจิตมันเคยชินแล้วไอตอนที่ไม่ตั้งใจแล้วเกิดความรู้ตรงนั้นเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยบอกไม่ได้ตรงที่ไม่ตั้งใจแล้วเกิดขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นไม่ได้สร้างกรรมเพราะไม่มีเจตนามรรคผลไม่ได้เกิดในภพ มักผลไม่ได้เกิดเลพบเพราะฉะนั้นถ้ายังตั้งใจอยู่ตอนนั้นยังไม่เกิดมักผลตั้งใจตรงนี้ก็ตั้งใจไปก่อนเก็บข้อมูลไปก่อนเก็บข้อมูลให้จิตไปก่อนเรียนรู้ว่าโธสสะเป็นอย่างนี้เรียนรู้ว่าราคะเป็นอย่างนี้เรียนรู้ว่าหลงเป็นอย่างนี้เรียนรู้ว่าสภาวะต่างๆเป็นอย่างนี้ยิ่งอันไหนเกิดบ่อยก็เก็บบ่อยแล้วอันนั้นแหละจะเป็นตัวตัดสิน ต, ตอนที่ไม่ตั้งใจ คนโกรธแล้วเห็นความโกรธโ ด, ดยไม่ตั้งใจตอนนั้นไม่ได้สร้างภพไม่ได้สร้างภพตอนนั้นแต่มีคุณสมบัติเด่นๆอยู่สามตัวขึ้นมาพร้อมกันมีสติมีสมาธิมีปัญญาพร้อมกันที่ไม่อยู่ในภพนี่บรรยายแบบพิสดารเนาะอยู่นอกภพเลยนะภพเนี่ยนะถ้าตั้งใจทำสมาธิได้จะอยู่เป็นพรหมตั้งใจเป็น จิตที่ดีได้ก็อยู่ในสุขติเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ถ้าตั้งใจทําไม่ดีทําชั่วก็อยู่เป็นอบายเป็นภพของอบายยังใฝ่ายในกามก็อยู่ในกามะภพใฝ่ายในกามแล้วทําไม่ดีก็อยู่กามะภพบแบบอบายใฝ่ายในกามแล้วทําดีไม่ละเมิดศีลธรรมก็อยู่ในกามะภพในส่วนที่เป็นสุขติก็เป็นคนเป็นเทวดา 6ชั้นถ้าตั้งใจทำสมาธิทำฌานแบบอาศัยรูปก็เป็นพระพรหมเป็นรูปประพบถ้าทำแบบอะรูปเช่นว่างๆดูความว่างๆและสบา ย, ยก็เป็นอะรูปประพบอยู่ในพบหมดเลยไอตอนนอกพบเนี่ยก็คื อ, คอว่ารู้ทันสภาวะ จนจิตจำได้โกรธบ่อยแสดงว่าไอ้ช่องโกรธนี่แหละต่อไปเราจะรู้ความโกรธโดยที่ไม่ตั้งใจได้เพราะว่าความโกรธเกิดบ่อยแล้วเราก็สะสมตัวรู้ว่าโกรธเป็นยังไงบ่อยๆพอโกรธขึ้นมาครั้งนั้นครั้งสำคัญจะอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดบ่อยจำได้แม้ไม่ตั้งใจมันรู้ขึ้นมาไอ้ตรงนั้นเนี่ยเรียกว่า ไม่มีการทำกรรมเป็นความรู้นอกภพมักผลจะเกิดก็ตอนที่มันนอกภพนี่แหละคือไม่ตั้งใจไม่มีเจตนามันยากไปไหมแต่อาศัยตั้งใจก่อนเหมือนที่หลวงปู่ดูลบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดจึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดคือจิตมีปกติอย่างนี้อย่าไปห้ามมัน แต่ถ้าตอนถ้ามันยังคิดอยู่นะยังไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่ของจริงก็รู้ทันที่มันเผลอคิดไปเผลอคิดไปรู้ทันมันแต่ตอนรู้จริงๆมันไม่คิดไอ้นี้เหมือนกันตั้งใจไปตั้งใจไปก่อนตอนตั้งใจยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มรรคผลตอนที่ไม่ตั้งใจนั่นแหละแต่ก็อาศัยจากที่สะสมอย่างตั้งใจไปแล้วสะสมอย่างตั้งใจเนี่ยมันเก็บไว้ในจิต แลวจิตดวงหนึ่งก็ส่งข้อมูลส่งต่อไปเรื่อยๆให้กับจิตดวงต่อไปไอ้ที่จำไว้นั่นน่ะเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาจำได้ว่าโทสะเป็นยังไงจำไปเรื่อยๆจาไปเรื่อยๆนะเกิดใหม่ยังต้องตั้งใจดูอีกเพราะว่าไอ้ที่จำไว้เนี่ยยังไม่พอยังไม่สเสถียรข้อมูลยังไม่สเสถียรยังไม่มากพอจนมากพอจนมากพอแล้วเนี่ย เกิดโทสะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม้ไม่ตั้งใจจิตก็รู้ได้เลยเรียกว่าอาศัยสัญญาที่มันมากแล้วภาษาพระเรียกว่าธิระสัญญาสติที่เกิดจากสัญญาจากสัญญาที่มั่นคงที่ว่าธีระสัญญาเนี่ยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าสติตัวแท้เป็นสัมมาสติแต่ต้องอาศัยตั้งใจไปก่อนตั้งใจไปก่อน เหมือนที่หลวงปูบ่บอกว่าคิดเท่าไรก็ไม่รู้หยุดคิดจึงรู้แต่อาศัยคิดไม่ใช่ห้ามไม่ให้คิดถ้าห้ามไม่ให้คิดนะก็เป็นต้นเสาเป็นต้นไม้ต้นไม้บานทีมันรับรู้ได้นะไปด่ามันมันเฉาเหมือนกันนะใช่ไหมจะว่าต้นไม้ไม่มี <laughs> ความรับรู้ก็ลำบากเหมือนกันไม่แต่น้านะน้ำ ไปด่าน้ํำนะโมเลกุลน้ํามันจะเปลี่ยนใช่ไหมเคยอ่านใช่ไหมมีคนทดลองแม้แต่เอาตัวอักษรไปเขียนไว้ที่ขวดนะเอาตัวอักษรที่เป็นมงคลไปเขียนไว้ที่ขวดขวดน้ําน้ําก็เปลี่ยนไม่รู้มันรู้ได้ยังไงนะมันสื่อกันได้ยังไงมันเปลี่ยนดังนั้นเวลา เราเนี่ยนะกายเราอยู่กับเราเนี่ยนะใจที่มันมีโทสะนะโมเลกุลข้างในเราก็เปลี่ยนหมดเลยนะ <c oughs> โมเลกุลก็เปลี่ยนพอมีสติขึ้นมานะสว่างนะโมเลกุลข้างในก็สว่างด้วยนะสว่างมาจากข้างในงันั้นอยากจะปรับท่าตัวเองก็ตั้งสติบ่อยๆ <c oughs> เปลี่ยนโมเลกุลข้างในเปลี่ยนมาจากจิตเลยเปลี่ยนมาจากจิต ใครขี้โกรธก็ตั้งน้ำไว้สองขวดขวดหนึ่งวาดหน้าไอ้คนนั่นที่เราไม่ชอบเช่นสมมติไม่ชอบเจ้านายก็แปะรูปเจ้านายไว้แปะรูปเจ้านายยังไม่ทันจะด่าเลยนะถ้าเจ้านายมันเลวจริงนะโมเลกุล น, น้ำเปลี่ยนเลย <c oughs> ด่าด่ า, ด า, ด า, ดาแล้วก็อีกขวดหนึ่งก็เป็นน้ำมนำไว้ <c oughs> เอาไว้วก็แล้วก็ <c oughs> วกเก็บไว้สักสัปดาห์หนึ่งนะลองไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูนะอ ดูโมเลกุลเราเสกน้ําขวดนี้ให้เป็นอย่างนี้เราเสกน้ําขวดนี้ให้เป็นอย่างงี้แล้วจะเกิดอศัศจรรย์ขึ้นมาว่าโอ้ไอตอนเสกน้ําขวดเนี่ยกูเป็นด้วยตอนเสกน้ำขวดกูเป็นด้วยเขเย้าใจไหมน้ําขนาดอยู่ข้างนอกนะ้ำมันยังเปลี่ยนเลยเลือดอะไรต่างๆอะไรนะมันจะพ้นไปได้ยังไง <laughs> พอไปดูแล้วโอ้จิตเป็นได้ขนาดนี้ นา ม, มาทำเป็นได้ขนาดนี้เปลี่ยนรูปธรรมให้เป็นเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เห็นโทษของมันคราวนี้เห็นจริงเห็นจริงจากการทดลองของเราเองใจมันจะไม่อยากจะโกรธใครอีกโกรธเท่าที่จำเป็น <laughs> จะเห็นเลยว่าโกรธทีไรเราเองนะ่ะรับเองเลยทันทีกายเราเนี่ยรับเองทันทีเลยทันทีเลยใครที่รักสวยรักงาม ทดลองนี้ก่อนไปลองทดลองนี้ดูจะรักตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะโกรธคนอื่นเพราะว่าโกรธที่ไรกูซวยก่อนใช่ไหมดาใส่ขวดไปแล้วเนี่ยนะไ อ, เไเอเไไไ้เจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมดาใส่ขวดไปแล้วเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยไหว้ไปแล้วเนี่ยพระท่านอยู่วัดนะไม่รู้เรื่องเลยแต่เราดีแล้วน้ําในขวดดีด้วยด่าขวดนี้ไปนะ เจ้านายไม่รู้เรื่องเลยเราสวยแล้ว <laughs> ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลบุญที่ทำไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมและแม้แต่แสดงธรรมเราเจริญภาวนาสมถภ า, าวนาวิปัสนาภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในครั้งนี้ก็ข อ, ขออุทิศ เป็นเครื่องบูชาแด่พระรัตนตรยัยบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เพราะว่าเรารู้จักวิธีทำบุญอย่างนี้ก็ด้วยพระพุทธองค์ทรงแสดงทางเอาไว้ทางนั้นคือพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงและพระสงฆ์เป็นผู้รักษาคําสอนรักษาเส้นทางสู่ความพน้นทุกข์อนั้นจนถึงขณะ น, นี้เวลานี้เรามี เส้นทางมีช่องทางสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็เพราะพระสงฆ์สาวกได้รักษาเส้นทางนั้นส่งต่อมาให้พวกเราเราได้ทําบุญอย่างนี้ด้วยพระรัตนตรยัยก็ขอนําบุญนี้เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยนั้นด้วยอุทิศให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นาศนาสนาปฐมภพ ผู้เป็นหลักของประเทศหลักของชาติขอให้พระองค์มีประชชนมายุยิ่งยืนนานส่งพระเกษณรสำราญเป็นมิ่งขวัญแก่พระสงนิกรชาวไทยรักษาพระศาสนากู้แผ่นดินนี้ส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาได้อาศรรยัยกาย ที่ท่านได้เลี้ยงดูนี่มาได้อาศัยจิตใจที่ได้รับการอบรมจากท่านมาท่านผู้ให้กําเนิดทั้งสองมีพระคุณอย่างยิ่งชาตินี้เป็นชาติที่สําคัญที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาพบคําสอนได้อาศัยกายที่ให้ให้กําเนิดมานี้มาพบพระาศาสนาแล้วขออุทิศบุญกุศลให้กับท่านผู้ให้กําเนิดคือคุณพ่อคุณแม่ เกิดมาแล้วก็ได้รับการเอื้อเฟื้อจากบุคคลมากมายก็ขออุทิศบุญกุศล น, นี้ให้กับผู้มีพระคุณของเราให้กับหมู่ญาติของเราให้กับครูบาอาจารย์ให้กับเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลายให้กับญาติพี่น้องผู้ร่วมเอื้อเฟื้อกันมาให้กับครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสิทธิชาทั้งทางโลกและทางธรรม ให้กับเราผู้ที่เราได้เคยล่วงเกินเป็นเจ้า ก, กรรมนายเวรที่เราได้เคยล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอนําบุญกุศล น, นี้เป็นเครื่องทดแทนความผิดพลาดที่เราได้เคยล่วงเกินท่านไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความยินดีในบุญกุศลที่เราได้อุทิศให้แล้วนี้จงเลิกแล้วจากความอาฆาตพยาบาท เบียดเบียนซึ่งกันและกันแม้เราเองใครที่เคยล่วงเกินเราด้วยกายวาจาใจก็ขอให้อภัยไม่อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนท่านเหล่านั้นด้วยเช่นกันอุทิศให้กับ ส, รรสัตว์ททั้งหลาย ส, รรสัตว์ใดที่มีทุกข์ขอให้ท่านจงมารับรู้บุญกุศลที่เราอุทิศให้อุทิศให้โดยไม่มีประมาณ เราทั้งหลายในที่นี้มีความปีติใจอิ่มใจอย่างไรในการปฏิบัติธรรมด้วยการทําบุญขอท่านดีใจในบุญกุศลที่เราได้ทําแล้วอุทิศให้นี้ถ้ามีทุกข์อยู่ขอให้พ้นทุกข์ถ้าอยู่ในภพภูมิที่เป็นทุกขติขอเปลี่ยนภพภูมิไปสู่สุขติเทวดาทั้งหลายในที่นี้ก็จงอนุโมทนาเราทั้งหลายอุทิศให้กับท่านด้วยก็ต้องมีจิตสมนัตยินดีดูแลปกป้องคนดีดูแล คนดีในแผ่นดินนี้ให้มีกำลังในการรักษาสังคมให้เป็นสุขสืบไปเราทั้งหลายในที่นี้ก็จะตั้งใจศึกษาในถ้อยคำของพระพุทธองค์ศึกษาแล้วก็จะนำมาปฏิบัติให้รู้ยิ่งเห็นจริงเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนยาาาวรวารรริริิหปเสกัง อ่งน้มที่เต็มย่อมอยังสมุทรสาครให้บริพูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตที่นังเปตานังอุปกรปฏิทานที่ทานุทีตในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะ น, นั้นอิจจิตังปฏิตังตุมหังขออิจตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลัน สัพเปปุเรนตุสังกปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเพวตุสัพป ะ, ะมังคลังขอสัพปะมงคลจงมีแก่ท่านรั ก, กันตุสัพปเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพุทธานุปาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสงฆานุปาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือ